ขอความเจริญในธรรมจงมีดแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลมงปพทธญาณในวันนี้คงพูดเรื่องสมาสติเกือการตั้งสติในทางที่ชอบมาถึงเวทนานนปัสนาสติปัฏฐานนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดเรื่องจิตก็อยากจะแวะไปที่พระสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าทีฆะนักขัดสูตร หรือบางแห่งเราอาจจะได้ยินกันว่าเวทนาปริกาสูตรเป็นประสูตรที่พระุเจ้าทรงแสดงแก่ทีฆะนักขะอาคิเวสนะเป็นปริพายชกเป็นหลานของพระสารีบุตรตอนนั้นพระสารีบุตรบวชแล้วได้เจ็ดวันพระเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ที่สุกราขาตาเชิงเขาคิจกูดทีฆะนักขะนั้นเป็น หลานของพระสารีบุตรพระสารีบุตรมีฐานะเป็นลุงลก็คงศักนะฮะคงศักเป็นลุงก็ท่านคงไม่พอใจพระพุทธเจ้าจึงไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลกราบทูลในลักษณะที่เราเห็นว่ากระทบกระเชียบนะฮะบอกว่าประมาณสมณครดงข้าพเจ้ามีความเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดคือหมายความว่าท่านต้องการจะด่าพระพุทธเจ้าว่าเขาไม่ชอบใจพระพุทธเจ้านะฮะเลยปฏิเสธหมดพราปฏิเสธหมดมันทุกอย่างมันหมดคือแกก็ติดเข้าไปในสิ่งทั้งปวงด้วยความเห็นของแกก็ติดไปในสิ่งทั้งปวงด้วยเพราะแจ๊กแก๊จกันมาทั้งหลายทั้งปวงนะครัอันนี้คือภาษาที่เขาเรียกเป็นลอจิก พระเจ้าก็ทรงย้อนนะวะัตถีคณะคาถะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยแม้แต่ความเห็นของท่านก็ไม่ขวดแก่ท่านด้วยแต่ท่านก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของท่านด้วยวัตถีคะคาถะเลยงงเลยจะนั่งรู้เจ้าประสงค์แสดงความเห็นของคนในประเภทที่เป็นแนวดิ่งออกไปในด้านต่างๆเนี่ยหมายความปัจจัยฝังใจยึดติดอยู่ในตรงใดตรงหนึ่ง เช่นเ yeah. so ันถือว่าสิ่งต้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจสิ่งั้งพวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจบางสิ่งควรข้าพเจ้าก็ชอบใจบางสิ่งไม่ควรก็ไม่ชอบใจเนี่ยมันก็กลายเป็นการทเราะทุ่มเฉียงกับผู้คนดื้อแล้วเรียกเป็นปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดแนวตรงนี้ย่างวันก่อนัอ่านหนังสือที่จริงก็เป็นพวกกันนะฮะเป็นนักวิชาการเอาเขียนหนังสือคือยังนึกถึงว่าผมมีความเห็นว่าอย่างนั้นผมมีความเห็นว่าอย่างนี้ ผมมีความเห็นว่าอย่างน้นยังนึกว่าทำไมไม่เอาหลักมาพูดทำไมใช้ความเห็นตัวเองเพราะถ้าต่างคนต่างใช้ความเห็นตัวเองแล้วในที่สุดมันก็หาข้อยุติอะไรไม่ได้คือสังคมมันมีมาตรฐานมานานแล้วนะมันมีมาตรฐานมาตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วเนะช่นมากัดทางการตัดสินการผิดการถูกเนี่ยในแนวที่ลึกซึ้งลงไปเนะี่ย เลยเช่นว่าการกระทำอะไรก็ตามที่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองนำความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่นนำความสเดือดร้อนมาสู่คนทั้งสองฝ่ายการกระทานั้น ก, ก็ผิดแล้วมันก็กลายเป็นมาแต่วัดได้ในที่ทั้งหลายไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามแต่พอเราใช้ความเห็นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่อ ง, องความรู้สึกเราชอบก็อย่างหนึ่งเราช่างก็อย่างหนึ่ง แล้วก็จากแสดงมาถึงตรงนั้นนี่มาถึงตรงหนึ่งก็แสดงแบบกายานุปัสนาให้ลองสังเกตคือต้องการที่จะนำไปดูว่าพิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ดูคนแล้วก็ดูธรรมวางธรรมไมเหมาะสมแก่คนก็ยังนึกว่าเจตนาจริงๆอยู่ที่ภาษาดิบุตรทยียทงไป ต, ต้องการจะสอนภาษาิบุตรพระภาษาบุตรก็นั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องประปิดสดงคือนึกถึงภาพสวยงามมากนะฮะ เรียว่าอย่างนึกพระพุทธเจ้ากับภาษาดิบุตรเนี่ยอายุไม่ห่างกันหรอกคงจะใกล้ๆกันภาษาดิบุตรน่าจะแก่กว่าเลยซ้ําไปแต่ว่าในฐานะที่เป็นสิทธ์เนี่ยแล้วก็เป็นสาวกนะฮะไม่ใช่สิทธิธรรมดาเป็นพระโสดาบันแั่ตดาก็ยังไม่แก่นะตอนนั้นพระพุทธเจ้าประชนบรรษาแค่สาสบเท่านั้นเองแต่ท่านก็ทั้งนั่งถวายงานพัดด้วยความเคารพเธอถูบันผ้า ท, ที่สวยนึกเมื่อไหร่มันสวยมันซึ้งมากไนงะ เป็นภาพแต่เราซึ่งมากเลยแล้วก็มีบุญนะฮะที่ได้เข้าไปนั่งรมอย่างนั้นนะใครก็ปรารถนาที่จะได้สถานะอย่างนั้นเพราะวันมีโอกาสเยอะนอกจากว่าทําบุญในการปฏิบัติบังรุงหลวพ่อพระเจ้าแล้พวพระเจ้ารับสั่งอะไรเราได้ยินหมดเราก็ได้ความรู้วันๆหนึ่งได้เยอะเลยแต่ประเด็นที่ท่านสอนทรงแสดงในแนวของกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะคร ก็รับสั่ให้ดูว่ากายเนี่ยเป็นที่ประชุมของมหาปูตตุรุทั้งสี่คือดินน้ําลงไฟคือตัวทั่วไปเนี่ยจะพูดระดับดินน้ําลงไฟน อ, อกจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะฮะเพราะว่าในแนวของทาตัววัฏฐานเนี่ยคือการพิจารณาธาตุเนี่ยจะเอ า, าธาตุสี่แต่นั่นเองไม่เอ า, าธาตุหกมาพูดหรือาธาตุที่ละเอียดมาพูด พอมาถึงวิญญาณธาตุเนี่ยไปโน้นนะฮะอากาศธ า, าตุเนี่ยไปรูปกรรมฐานแะ ว, วิญญาณธาตุเนี่ยไปรูปกรรมฐานแล้วเพราะมันเป็นละเอียดอากาศธ า, าตุที่จริงเป็นรูปนะฮะแต่ว่าละเอียดเกินแล้วก็วิญญาณธาตุมันเป็นนามนะครับก็ต้องพูดไปอีกระดับหนึ่งเป็นการแสดงธรรมะเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้ฟังแล้วก็เอาธรรมชาติมาสอนธรรมชาติมันชีวิตธรรมดาธรรมดานี่ไม่มีอะไรลึกซึ้งอะไร และเป็นภาษาที่ทรงใช้บ่อยมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญด้วยเข้าสุก ข, ขนุนสดต้องอบขัดสีกันเป็นนิดร่างกายเนี่ยมันสกปรกแต่ว่ากุอายะคือแหล่งประชุมของสิ่งสกปรกทั้งหลายสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเราเลิกดูว่าเราต้องเสียเงินทองไปเพราะต้องการกำจัดกลิ่นของร่างกายอย่างเดียวเนี่ย แล้วก็หลอกลวงตัวตัวเองว่าร่างกายมีกลิ่นหอมอย่างเดียวนี่เสียเงินจะทองเยอะนะะอย่างนึ ก, กว่าฝรั่งเศสเดี๋ยวมันขายแต่น้ำตอนนี้มันรวยได้เป็นมาหาอนาจได้เพราะอะไรเพราะน้ําเหล่านั้นเราจะเห็นว่าก็มีสองอย่างนะคือชําระลางสิ่งปฏิกูลและอบกลิน่นก็ไปสร้างกลิ่นใหม่ขึ้นมาน้าอบน้ําหอมทัม้งหลายเนี่ยมันก็แสดงเงยเห็นว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดสกรปรกด้วยประการต่างๆต้องขัดสีจะไว้วันต้องอบกลิ่นกันด้วย ขัดสีกันแล้วก็ในสุดก็แตกดับไปเป็นธรรมดาทรงสอนให้พิจารณานะสอนให้ท่านขีขันอขาพิจนารณาเนะี่ยว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคมันเป็นนางหัวฝีเป็นนางลูกศอนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นเหมือนของยืมอะเอาก็จริงไม่มีอะไรของเราสักอย่างหนึ่ง เร ด, ดูติตาโอ้ยตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเท้าเนี่ยไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งบทมันแตกมันก็แตกบทไปจะงอกมันก็งอกง่ามไปรอหน่อยก็ไม่ได้อบทมันจะเหี่ยวมันก็เหี่ยวบดจะผอมก็ผอมมันบ้าไปเรื่อยๆเลยมันไม่ใช่ของเราของเรา ย, ยืมกันมาพอเราแก่เจ้าของก็ทวงคืนเรื่อยทวงฟันบ้างทวงตาบ้างทวงผิวบ้างทวงผมบ้างทวง ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยทำมชำรื้สุดสุดไปแต่นี้ก็จริงแนวกายานุปัสสนานะแต่ว่าสอนให้เข็นกันชัดๆธรรมดารรมดาไม่ต้องมองละเอียดลึกซึ้งขนาดนัน้นขนาดไดมาสติปัฏฐานน่ก็ลึกซึ้งไปเพราะว่าผู้ฟังในมีวุฒิภาวะสูงแต่ว่าในกรณีนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่หเห็นว่า ตอม า, าตรฐานฐานเนี่ยพูดถึงเห็นกายที่เป็นภายในเวทนาที่เป็นภายในเวทนาที่เป็นภายนอกเวทนาในเวทนาที่เป็นภายในเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกเป็นความเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับไปกเวทนานี่ยิงก็คือใจรักนั่นแหละแต่มองในแง่ของอนิจจตาดีากว่าไม่เที่ยงแล้วไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นทุกขังอนัตตาเหมือนกันวิธีการสอนเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็บอกว่าในที่สุดมันก็เป็นของสุดโซ่เป็นของว่างเปล่านี่เริ่มเป็นอนัตตานะฮะเป็นของไม่ใช่ตัวเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังวูฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังของยืมแล้วก็เป็นของสุดโซ่เป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนยศลักความพอใจในกายความเย่อใจในกายความอยู่ในอำนาตของกายไปได้ เราก็จริงไม่ใช่ของเราไปยุ่งอะไรมันนักหนาวุ่นวายอะไรกับมันนักหนาก็ชำระคือกายกายเป็นที่อาศัยนะฮะเป็นเครื่องมือในการอาศัยทำความดีของเราเมื่อมันมีความแข็งแรงให้เราสามารถอาศัยได้นะะเราก็ อ, อาศัยแต่ว่าวันหนึ่งเราก็จากมันโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเราเนี่ยอย่างมากก็ ตายพร้อมกันนะเราตายมันก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่มันก็อยู่กับเราอย่างเงี้ยเบียดเบียนมันล้ามพานเพราะร่างกายเราเป็นของก็เรียกโลคันนี้ถังกหรังของโลกประพังคุณังมันต้องเปืยหน้าต้องแตกดับทําลายไปเป็นกติธรรมดาของชีวิตจากนั้นทรงสแสดงในเรื่องเวทนานะเราจะเห็นว่าเวทนาในที่นี้ทรงใช้แค่แค่สามเวทนาในสามเวทนาเท่านั้นแต่วิธีสอนนี่จะต่างกัน ก็รักษาว่าอคิเวชนะเวทนาสามอย่างนี้คือสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกกมสุขเวทนาให้ดูว่าสมัยเวทนามันเสวยได้ทีละอย่างในมาสติปฐานก็ส่งแสดงว่าในขณะใดที่เรามีสุขเวทนาก็รู้ว่าขณะนี้เรากําลังสวยสุกเวทนาในขณะใดสวยทุกเวทนาก็รู้ว่าในขณะนี้เราสวยทุกเวทนา ในขณะดใณะดสเสวยอทุกรรมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่ากรนี้ขณะนี้เรากรรมังสเสวยอทุขกรรมสุขเวทนาคือดูมันทำความเป็นจริงแต่นี้ไม่ได้จะดูอย่างนั้นคือหมายความว่าอย่างหนึ่งมันปรากฏอย่างหนึ่งมันจะไม่ปรากฏเพราะในสิ่งเหล่าเนี้ยที่จริงมันมันแสดงผวามไม่เที่ยงให้เห็นแล้วความเป็นทุกข์ให้เห็นแล้วแต่ความไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรที่เราต้องการเนี่ยมาอยู่อย่างได้อย่างหนึง่งว่าเออนี่สุขเวทนาอยู่ก็เรานานๆหน่อยนะ อย่ารีบไปเนี่ยมันก็ไม่ยอมหรอกมันไปตามเหตุปัจจัยของมันมันก็ว่าของมันเรื่อยๆนะฮะพูดจาอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องนะคอยู่กันมานานแล้วร่างกายเราลองลองดูที่อยู่กันมานานแล้วอาตมาก็อยู่มาหกสิบป่าแล้วไม่เคยพูดกันรู้เรื่องเลยแล้วก็คนจะอยู่กันจะตายแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องจะตายนะฮะมันก็กลายเป็นของคนอื่นจริงๆเลย เป็นของว่างเปล่าจากความเป็นเราจากความเป็นของเราจากความเป็นตัวตนของเราแต่ว่าเพราะว่าปัญญาที่ไม่รู้เห็นในความเป็นจริงนี่จิตใจเราจึงไปปักใจฝังใจเอาในลักษณะอย่างนั้นเราก็รับสั่งว่าสมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาและไม่ได้เสวยอุทุกขมสุขเวทนาหมายความว่าเป็นการเสวยเวทนาครั้งละหนึ่งอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏอีกอย่างอื่นจะไม่ปรากฏเพราะเมื่อยามใดสเสวยทุกเวทนาในยามนั้นก็จะไม่มีสุขเวทนากับมาทุกเวออาทุกกรรมสุขเวทนาในยามใดเสวยทุกกรรมสุขเวทนาสุกกระทุกก็ไม่ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาก็ให้ดูอย่างเงี้ยคือให้ดูว่าจริงๆแล้วเวทนาเนี่ยเราบังคับอะไรมันไม่ได้เลยมันเปิดขึ้นมันตั้งอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมัน แล้วก็รับสังว่าอคิเวสนะสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปความเสริมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ทุกอทุกกรมสุขก็ทรงแสดงโดยทํานองเดียวกันในตอนในช่วงต่อมาเนี่ยก็รับสังว่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายในสุขเวทนาย่อมนายในทุกเวทธรรมนาเวทนานย่อมนายในอนทุกกมสุขเวทนาเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเรานะข้อความตรงนี้มันจะเหมือนกับอะไรละ่ะในตอนท้ายของอนัตตลกนาสูตรตอนท้ายของอาทิตตปยาญาสูตรธรรมเทศนาแสดงใกล้เคียงกันนะในรอบประมาณสักเจ็ดแปดเดือนหลังจากสัตรูเนี่ยฮะ อยู่ในช่วงตรงนี้ทีนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ย่อมนายทั้งหมดในเวทนาทั้งหมดเมื่อนายก็จะคลายกำหนักก็คลายกำหนักก็ย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้รู้ชาติว่าชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ดูจบแล้วกิจควทําได้ทาเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอาคิเวศนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แหลย่อมไม่วิวาสแข่งแย่งกับใคร วานใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามบุหานนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐินั่นคือสอนทรงสอนให้ดูวพระองค์ก็ดีนะพระองค์ก็ดีพระสารีบุตรก็ดีเนี่ยมันไม่ไปยึดมั่นอย่างนั้นหรอกไอ้นั่นชอบใจไอ้นั่นควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบใจไม่ควรแก่ข้าพเจ้าก็ไม่ชอบใจบางอย่างควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจบางอย่างไม่ควรแก่ข้าพเจ้าก็ไม่ชอบข้าพเจ้าไม่ชอบใจไม่ยึดถืออย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะั้น ไอ้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมาถกเถียงกันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของอาการยึดติดที่เฉียงกันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราหาข้อยุติไม่ได้อาข้อยุติไม่ได้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างในแนวของพวกทิฏฐิที่เขาเฉียงกันก่อนจะเกิดมงคลละสูตรก็เลยมีลักษณะอย่างเงี้ยแต่หมายความวาพวกหนึ่งีถือว่าสิ่งนี้ตนเห็นเป็นมงคล ว่าเถ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเราต้องเป็นมงคลและมันก็จริงๆก็ไม่เป็นมงคลทุกอย่างแต่คนกลุ่มหนึ่งก็ไปยึดถือยอย่างเงี้ยไปยึดถืออย่างเงี้นมันก็ทะเลาะ ก, กับคนอื่นคือคนที่ไม่เห็นตัวรงกับตัวเองแล้วก็อยากได้ให้พวกเห็นคล้อยตามตัวเองก็เกิดโลภะพอคนไม่เห็นตามตัวเองคนถียนก็เกิดโทสะจิตใจมันก็ไม่สงบอ่ะไม่สงบทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนั่นก็คือแนวความคิดในแนวของปุถุชน มันลักษณะของพระอราหันต์เนี่ยเราจะเห็นว่ายึดหลุดพ้นจากทิฏฐิเหล่านั้นตั้งนานแล้วพราะจะไม่มีวาดแข่งแย่งกับใครจะไม่ยึดติดในบัญญตัติตรงนั้นเรียกตรง น, รงนี้ตรงนี้จะต้องเรียกอย่างนี้มันไม่มีอะไรจริงสักอย่างหนึ่งแม้เราเองก็ไม่จริงนะฮะอย่างเป็นคราอย่างเนี้ยอย่างงานตมาเนี่ถูกสมมติเรียกมาเยอะเลยนะตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งแต่เป็นพระธรรมดาพระมาหาแล้วก็เป็นเจ้าคุณเป็นอะไรกับขึ้นมาเรื่อยๆเลย ก็ก็ก็ไม่จริงทางนั้นแหละเสร็จแล้วเราก็ตายแล้วก็เป็นจบตายอย่างก็ยังคุยกับพวกอยู่บ่อยๆว่าถ้าเราอายุถึงแปดสิบเนี่ยตอนนี้เราก็หกสิบแปดก็สิบสองปีเราก็ตายแล้วจะเอาอะไรกันนักหนาแล้วก็เลยแปดสิบไปแล้วเราจะอยู่ไปทําอะไรให้มันเป็นภาระของบุคคลเองตลอดว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันสั้นนิดเดียว่ะจะเป็นสุขเป็นทุกข์ล่ะทุกข์มากกว่าสุขละ่ะ เพราะตอนต้องประสบความทุกข์มากกว่าความสุขแล้วถ้าไปยึดมันก็ยิ่งยิ่งยิ่ ง, งจะทุกข์กันใหญ่เลยทีนี้การพระสารีบุตรเนี่ยท่านบรรลุมรรคผลได้แปลกมันคล้ายๆกันโดยสารคนอื่นควองเทศนะฮะเกี่นนพระพุทธเจ้าไปสนทนาการคฤเวสณนแต่ห้ลองสังเกตนะฮะเราสังเกตว่ า, าคฤหัสถนาเนี่ยก็ไปไม่ถึงไหนหรอกแต่ว่าพระสารีบุตรไปจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไป ก็นั่งอยู่ก็ดำริว่าพระผู um ir, ha, an, ing, ้มีพระภาคจัดการละธรรมเหล่าน at, at, ั han, ้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายประสุคตศัลระคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อภาษาริบุตรเห็นตรณัตดังนี้จิตก็หลุดพ้นจากอสว瓦ทั้งหลายไม่ถือบั้นดืป่าทานทำปราศจากทุรีปราศจากมณทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านคีฆะณักขะ อริภาชกอันนี้หมายความว่าเป็นพระโสดบันนะนะฮะพระโสาบั น, นท่านจะเห็นเหมือนกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ตั้งแต่ขณะนั้นไปท่านก็ก็เรียกว่ามีธท ร, รมันเห็นแล้วมีท ร, รมันถึงแล้วมีท ร, รมันทราบแล้วมีท ร, รมันอย่างลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้ปราศจากความเค ร, รือบแคลงมีความเป็นผู้กล้ากล้าไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคําสอนของภาษาสดาอันนี้เป็นมาตรวัดนะฮะมาตรวัดจิตใจของคนเนี่ยว่าเราเข้าถึงศาสนาหรือเปล่าถ้าเรายังแกล้งยังแกว่งยิงสายกันอยู่เนี่ยยังเถียงแม้แต่วันนี้พ่านเป็นอัตตาหรืออนัตตามี อ, ม อ, มอมายัดาให้ผ่านไหมอะไรแตร่ใดเนี่ยตายแล้วเกิดไหม นรกสวรรค์มีไหมอย่างเงี้ยมันมันเละหมดแล้วนะคือ็เราจะเห็นว่าข้ามความสงสัยปราศจากความเครือบแคลงถึงความในผู้ก ล, กล้าไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคําสอนของรศาสดาพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงคืออย่างนั้นเนี่ยเพราะที่ท่านเห็นก็เห็นอย่างนั้นเห็นอย่างที่พระเจ้าเห็นรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยอันนี้ที่จริงมันเป็นมากเป็นมากวัดจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตรนนี้ไม่ไม่ใช่ระดับพระอรหันต์นะฮะที่จริงเป็นระดับของปสัสโนบัญชันผู้ถึงทีฆนัะฆ่ถ้าเราจะใกล้ชิดต่อเรื่องเหล่านี้คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยวัตถุธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเวลานี้มันตเตลิเปิดเปิองไปเป็นพระไตรปิฎกเป็นปริยัติได้เองมันไม่ใช่ปริยัติทีเดียวหรอกมันเป็นปฏิเวทมาก่อน ออกมาจากพระไตรของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นปฏิเวทนะะแต่ว่าพอเข้าหูผู้ฟังเนี่ยมันเป็นปริยัตสมักผู้ฟังเนี่ยแล้วเมื่อท่านปฏิบัติผลเกิดขึ้นในต้องจงแต่ที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกหมายความมาถ้าเราเป็นชาวพุทธที่เข้าเป็นมาฐานเนี่ยต้องมีธรรมเห็นแล้วมีธรรมันถึงแล้วมีธรรมันทราบแล้วมีธรรมันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัย ไปาจากไม่ไปาจากความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในคำสอนพรพุทธเจ้ามีความโง่งุกล้าหารไม่ต้องเชื่อต่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาอันนี้คือเกณฑ์นะฮะเกณฑ์ที่วัดชาวพุทธเราที่เป็นมาศฐานหรือไม่ได้มาศฐานเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยเราพูดโดยปริยายอย่างอื่นก็ได้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 มันทาให้ท่านไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแครงมีความกล้าหาญแล้วก็มากแน่นมั่นคงในคำสอนของพระาศาสดาใครจะข่มขู่ใครจะคุกคามใครจะฆ่าให้ตายให้ปฏิเสธคำสอนพู้เจ้าจะไม่ปฏิเสธเพราะท่านเข้าถึงสัจธรรมด้วยใจของท่านเองแล้วก็ ต่อจากนั้นท่านก็ประกาศตนนะฮะประกาศตนถึงพระพุธธะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศาสนาที่พึ่งที่ระลึกแต่ที่ต้องการจะนำไม้ดูเนี่ยคือต้องการให้ดูในแนวว่ามันมันไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องดูอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าทรงมีปริยาเยอะปริยาเยอะในการแสดงเรื่องเวทนาเนี่ยบางทีก็เวทนาเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ไม่ไปรู้มันเนยว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ต้องไปรู้มันมันศักแต่ว่าเวทนาแต่ละเนื่นอง โดยใจว่าวสักว่าเวทนาจิตใจก็จะไม่เกิดยินดียินได้เพราะถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยพอเป็นสุขเราก็ยินดีพอเป็นทุกข์เราก็ยินได้พอไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตั้งหลักได้น่อยแล้วก็เสรได้ก็แหวงยินดียินร้ายยินดียินร้ายยินดยียินร้ายอยู่แต่ถ้าใจมันตัดขาดไปเลยว่าเวทนาเราก็สักว่าเวทนาไม่มีอะไรให้ลองคิดดูเราใจคำว่าสักว่าอย่างเดียวเนี่ยนะเราจับหลักให้ได้ว่าสักว่าอย่างเดียว มันจะไม่เดือดร้อนฝนตกก็สักว่าฝนต ก, นตกแดดออกก็สักว่าแดดออกอยู่ใกล้บ้านสุนัขฟาดกันดังลั่นนอนไม่หลับก็มันเรื่องของสุนัขสักไปว่าเสียงแต่นั้นเองมันไปนยึดติดอะไรมันคือใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันได้สามารถบรรเทาปาัญหาความวุ่นวายต่างๆแล้วศาสนาบแบกโลกของคนบางคนก็แบกโลกก็มีเรื่องเยอะมีเรื่องแบกมีเรื่องเอามาพูดได้เยอะเลย ถามว่าพูดไปทำอะไรมันก็ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรแต่ว่าเขาก็พอใจยินดีที่จะพูดอย่างนั้นทีนี้คำหลักตรงนีมน้มันมีคำที่เขาสังเสริมมาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะฮะยังไงก็แวะมาตรงนี้แล้วก็ถ้าเราสังเกตว่าชมเราพบในพระสูตรนี้จะเยอะมากเลยจะเหมือนกันเลยภาษีของพระองค์แจมแจ้งนักข้าแต่พระท่านพระโคโดมภาษีของพระองค์แจมแจ้งอาจแจยแจ้ ง, จ ง, จงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจกักษุจะเห็นรูปดังนี้ชั้นใดนะท่านพระโคโดมทรงประกาศทำโดยอเนกกระยายเหมือนกันฉะ้นนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคประธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุปสศถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อเราจะเห็นว่าตอนนั้นท่านนามของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีความหลากหลายท่านก็รู้จักแต่ในนามพระโคโดมแต่นั้นเองนะแล้วก็ในที่สุดก็เรียกพระผู้มีพระภาคกับพระโคโดมแต่พอจบแล้วก็ไม่เรียกแล้วนะเพราะว่าพระโคโดมเป็นนามที่เขาไม่กล่าวต่อหน้าแล้วกส็สาสนิกนี่จะไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่เรียกโดยโดยโดยพระนามทั้งฝั่งทั้งหลายในโลกประปณิยาน ในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี